ตอนหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์กราบพระมการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกะยะัยยังมิทุกคน mm hmm. ก็นั่งสบายๆเนาะ mm hmm. เป็นปกติทุกคืนวันเสาร์นะ mm hmm. ก็ขอพูดจากันนิดหนึ่งวันนี้บังเอิญเมื่อกี้นี่ปลุกเขายืนมีคำถามเข้าประเด็นเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา mm hmm. อยากถามพวกครูว่าเป็นไปได้ไหม ว่าจิตจะเวียงจิตต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีจิตเดียวแต่จิตจินตนาการไปเองขอบคุณค่ะกำลังจับประเด็นอยู่เนาะจิตไม่ได้เวียงจิตมันเป็นจิตเดียวแต่มันมีเหมือนเหรียญสองหน้าจิตปัจจุบันกับจิตเดิมเหมือนเราเขามีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเน่ยเราเข้าไปในเว็บไซต์ทองนั้นเองทีนี้ พอเราเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยอารมณ์ในจิตใต้สํานึกนั้นเขาจะส่งออกมาทางมอนิเตอร์ก็คือร่างกายเราจิตปัจจุบันมีหน้าที่ดูเฉยๆ ว, ว่าเขาทําอะไรเขาไม่ได้เวี่ยงจิตแล้วก็ไม่ใช่จินตนาการจินตนาการก็คือว่าเราคิดตัวเองเป็นอุปทานเองทําไมเราต้องคิดว่าจะทําอย่างนี้ในแง่เหตุผลเราก็ไม่มีเหตุผลคิดบางคนว่าเอ๊ะเป็นอุปทานหรือเปล่าใช่ แต่ไม่ได้เกิดอุปทานจากปัจจุบันเนี่ยเราจินตนาการขึ้นมาเองเป็นอุปทานเก่าในอดีตกิเลสในอดีตทำให้เกิดปัญหาปัญหาทหี่มันเกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดทุกข์ก็คือว่าในอดีตเราเป็นในกอเราไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นในกแล้วก็บันทึกสัญญาไว้ในนั้น ก็กลายเป็นอุปทานในอดีต ท, ที่พระเจ้าบอกให้เราขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนะคือเราเราลังไปล้างอุปทานเกา่าแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากจิตปัจจุบันไปจินตนาการนะก็ตอบสั้นแค่นี้จริงๆริงเไม่ต้องรู้ก็ได้หรอกนะรู้ก็เข้าใจไม่เข้าจิตอีกเหมือนเดิมเนาะขอให้พ่อครูช่วยอธิบายความหมายของสัโยชาณทีงนี้มันยาวนะเดี๋ยวไวท้ทีหลังไม่รู้จะไปรู้ไปทําไมเนาะไอ้นี่อ่านไปดูเนาะ เรารู้ก็รู้ภาษาว่าเอมันแปลจากบาลีเป็นไทยอย่างไรเท่านั้นเองเนาะแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังมันก็คือกิเลสละเอียดละ่ะคืออาสวะกิเลสที่มันละเอียดเนาะส่วนแต่ละข้อนี่เป็นยังไงเดี๋ยวพักครูดูมีเวลาไหมการมนรุษย์ทำขั้นโสดาบันนะอันนี้ก็เกี่ยวกับสังโวชนะต้องละกิเลสสังโยชอะไรบ้างก็ทุกคนนี่อ่านหนังสือออกก็อ่านอกอกแนะหนังสื อ, อ ก, ก็บอก หนึ่งสองสามเนาะแต่ถ้าเราทำไม่ได้เรารู้ก็เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่ความจริงปฏิบั ต, บติและเราเข้าถึงตรงนั้นเราจะรู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าถ้าถามนี่คำตอบก็คือว่าละสามข้อตังนี้ให้มันได้ธรรมะวิจยะในโพชฌงกตจะคล้ายหรืออันเดียวกับธรรมานุสติปฐานหรือไม่คะ มันมันคนละเรื่องคือทํางานรูปสติประฐานเป็นขั้นตอนเรามีกายานุรูปสติปัฏฐานเวทนานุรูปสติปัฏฐานและจิตานุรูปสติปัฏฐานแล้วก็มาอย่างนี้เป็นขั้นตอนส่วนไอ้พุทชงเจดเนิ่เป็นสภาวะธรรมนะเป็นสภาวะธรรมนะแต่ถ้าไม่เข้าถึง ถ้าไม่รวมกันกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่เข้าไปในจิตแล้วเนี่ยผู้ชมก็แสดงตัวไม่ได้อันนึงคือเป็นขั้นตอนของมันขั้นตอนคือกายในกายเวทนาในะจิตในจิตธรรมในธรรมนะนั่นคือธรรมานุสติ ป, ปฐานนะขั้นตอนแต่ผู้ชมจิตนั้นเป็นสภาวะธรรมแต่ถ้าเราไม่เข้าไปในจิตไม่เข้าไปในนั้นแล้วไอ้ธรรมในธรรมนั้นนะ่ะมันจะแสดงตัวไม่ได้โดยเฉพาะผู้ชมผู้ชมเนี่ยก็แปลง่ายว่า มันเป็นธรรมชาติของจิตเดิมคือมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติอย่างทางนักวิัยสัมพัทชนเนี่ยมันวิจัยทำโดยไม่ผ่านความคิดไม่ผ่านความนึกความคิดนะวิจัยโดยยังไงเอ๊ะเต้นแล้วได้อะไรสมมติอย่างงี้นะเราจะวิจัยว่าเต้นแล้วได้อะไรเนี่ยเราจะไปเข้าห้องแล็บไ ป, ปะสมยมุนสมนไม่ได้หรือว่าไปอ่านทฤษฎีไมนะ่ไคือเราต้องเต้นเลยเราต้องเต้นเลยนะ แล้วเราจะรู้ว่าเต้นแล้วมันไดาอะไรอย่างนั้นะคือคําว่าวิจัยในที่นี้คือจิตมันวิจัยธรรมโดยที่ว่ามันปฏิบัติจริงมันไปเสกอารมณ์นันจริงๆเนี่ยที่เราเต้นเราอะไรเนี่ยทั้งสติสัมผัสชงธรรมวิจยตสัมผัสชงบางครั้งมันก็วิจัยธรรมบางครั้งมันก็ไม่วิจัยธรรมมันเจริญสติสัมผัสชงบางครั้งก็นั่งนิ่งๆมันเป็นปัสสัทธิสัมผัสชงแต่มันเกิดขึ้น โดยธรรมชาติของเขาไม่ใช่เราฝึกสมาธิไปกดมันไว้คำว่าพุทธชมก็คือเป็นไปตามธรรมชาติของจิตมันเป็นสภาวะธรรมส่วนทรรนามนุสติ ป, ปฐานเป็นขั้นตอนนะตั้งแต่มีกายมีเวฒนามีจิตมีธรรมนะคนคนละอย่างนะ เ, เวลาปฏิบัติต้องแผ่เมตตาไหมเวลาปฏิบัติก็คือปฏิบัติเวลาแผ่เมตตาก็แผ่เมตตา ไม่ใช่แผ่เมตตาด้วยปฏิบัติด้วยเนะนะมันไม่ใช่เป็ น, เ ป, นเป็นหนึ่งเดียวนะคนละเรื่องเดียวกันเอาเป็นว่าการปฏิบัติต้องเป็นตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทาส่วนทำเสร็จแล้วเราคิดว่าเรามีบุญเยอะเราเป็นมหาเศรษฐีนะเราจะแบ่งแผ่เมตตาแบ่งส่วนบุญให้ใครนั้นนันใครจะรักชอบอย่างไรก็ทาคาว่าแผ่เมตตาเนี่ยเราคุ้นเคยกับการการท่องบนมีบทสวด แผนเน่เมตตาอะไรเนี่ยนะอันนี้เหมือนเหมือนแผนเน่เมตตาตือนสติเราเนี่ยว่าต้องมีเมตตานะเราฝึกสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดสมาธิเราฝึกสติเพื่อให้มันเกิดสติแล้วแผนเน่เมตตาเพื่อเตือนเราว่าต้องมีเมตตานะพรากคุณพูดบ่อยๆนะแล้วแผ่เป็นชั่วโมงเลยไพเราะเพราะพิงฟังแล้วทราบซึ้งนะปิติยินดี แต่พอออกไปใส่รองเท้าเขาเหยียบขาเราหน่อยยังก็ไปด่าเขาอันนั้นแผ่ไม่มีประโยชน์เลยแผ่แค่ลมปากมีหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาถามพระครูแผ่เมตตาไหมบอกโทษนะยีิบห้าปีเนี่ยพระครูเองไม่เคยแผ่เมตตาแต่พระครูเมตตาทุกวันไม่ต้องไปแผ่แล้วแต่บางคนยังไม่มีเมตตาก็ต้องแผ่เพื่อเตือนมาต้องมีเมตตานะเป็นการต่วนสติท่านั้นเอง นะก็อย่าไปติดรูปแบบมากมายนะแต่อย่าไปทะเลาะ ก, กันว่าแผ่ดีหรือแผ่ไม่ดีจริตมันไม่เหมือนกันนะเขาแผ่ก็ปล่อยเขาแผ่ที่นี่เราสวดธรรํามวัดเย็นแล้ก็แผ่เมตตาเนะี่ยมันเป็นพิธีการทงางศาสนาอย่างหนึ่งเป็นการเตือนสตินะสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นอุบายวิธีทําให้จิตเราสงบนิ่งมันก็เหมือนเป็นการฝึกสมถะกรรมฐานด้วยตน้นแต่อย่าไปเข้าใจไปว่าคําว่าเจริญภาวนาคือไปท่องบนนะ ไอ้สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันเป็นพิธีการอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอุบายทาให้เราจดจ่อการสวดถ้าเราไม่ตั้งมั่นจดจ่อแล้วก็สวดถูกสวดผิดก็เป็นสมาธิเบื้องต้นแต่อย่าไปเข้าใจว่าสวดแล้วจะขึ้นสวรรค์สวดแล้วจะได้นู่นได้นี่อันนั้นเราเข้าใจผิดนะบางทีเขาใช้อุบายว่าสวดเขาเขาใช้อุบายแค่ว่าไม่ใช่หลอกลวงนะโกหกให้เราสวดเพื่อเราจะไม่ต้องคิด แต่เขาไม่หลอกลวงนะโกหกไม่จําเป็นต้องหลอกลวงนะคําว่าอุบายนี่คยคือว่าให้อุบายเราสวดจ้ะแทนที่จะไปคิดฟุ้งซ่านเธอมาสวดมนแล้วก็ได้ความสมุกชัว่วครู่มันก็เป็นสมถะกรรมฐานอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เขาใช้อุบายว่าเธอสวดนู่นสวดนี่ได้กี่บทกี่บทแล้วเธอจะขึ้นสวรรค์เธอจะล่ํารวยมั่งคั่งอันนั้นก็เป็นอุบายกล่นโกหกนะอุบายกลืนโกหก เราปฏิบัติธรรมจะเป็นขั้นตอนไหนก็ช่างไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้อะไรปฏิบัติเพื่อจะลดลาเลิกถ้าปฏิบัติแล้วเพื่ออนาคตดีขึ้นเพื่อจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมมันเป็นทางเดียวที่จะพ้นทุกข์เราต้องลดลาเลิกคําว่าแผ่เมตตาเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยมหายานก็แผ่แบบเถรวาลเราก็มีหลายลทัทธินิกายก็แผ่คนละอย่างก็เป็นแค่อุบายเป็นเทคนิค ถ้าภาษามาถกกันเรื่องธรรมะแล้วมันไม่จบนะเขาไม่สิทธเชื่อไม่เชื่อพูดมามันภาษาพูดมันหยากเกินไปที่พูดปุกบทุคนจะเข้าใจเหมือนกันจะสว่างหมดนะพระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่มากพระองค์จึงพูดกันไม่หมดอย่าพึ่งเชื่อตำลาอย่าพึ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าพึ่งเชื่อที่พูดตามๆกันมาเห็นไหมอย่าพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เรา ท่านลบไปหมดเลยนะแต่ยุดนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไม่ถึงธรรมเราไม่ได้จะอิงอะไรนะคนเราอ่านหนังสือมากหน่อยอ่านตำลามากหน่อยบอกเธอต้องยึดคําสอนพระเจ้าคําสอนพระเจ้าคืออะไรก็คือตําลาแต่พระเจ้าบอกอย่าเพิเชื่อตําลาไลแต่ไม่ได้ปฏิเสธนะมันก็ขัดแย้งกับหลักที่ผู้เจ้าสอนจริงๆทุกคนก็อ้างพระเจ้าอ้างพุทธโอวาสนะแต่อ้างคําพูดเดียวกันตีความไม่เหมือนกันเห็นไหม เจ้าชายสิท ธ, ธาเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากปริยัติถ้าเราจะอ้างพระเจ้าเราทำตามพระพุทธองค์หรือยังพวกยังไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่มีให้อ่านพวกยเริ่มจากปฏิบัติก่อนลองถูกรองผิดอยู่หกพรรษาเมื่อตัดสรุธรรมเข้าสู่ปฏิเวทก็เอาสิ่งที่พวกรู้ว่าเห็นมาบอกกล่าวเท่าที่พูดได้เท่าที่ภาษามันพูดได้ จะเป็นภาษาบาลีสัญญิกหรืออินเดียโบราณตอนนี้แปลเป็นไทยแล้วไม่รู้แปลถูกแปลผิดผู้เจ้ารู้ว่าพอกลายเป็นภาษาปุ๊บเนี่ยเป็นตำราปุ๊บเนี่ยมันจะหยาบเกินไปที่ทุกคนอ่านปุ๊บจะเข้าใจเหมือนกันมันถึงแยกเป็นหลายลัฐีนิกายไม่ใช่ศาสนาพูดธเราอย่างเดียวนะทุกๆศาสนาก็เป็นอย่างนี้หมดเห็นไหมคือคือครูบาอาจารย์เขาก็เอาจริตทั้งแต่ละคนเนี่ยนะ เป็นอุบายวิธีแต่มันอใชเรื่องสําคัญหลักการก็คือว่าเราจะปฏิบัติวิธีไหนก็ช่างถามว่าเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นผู้วิเศษวิโสรหรอือเพื่อเก่งกว่าคนอื่นรู้มากกว่าคนอื่นเหรอหรือเพื่อจะพ้นทุกข์มันอยู่ที่ เป้าหมายที่จะปฏิบัติส่วนเทคนิคอุบายวิธีนั้นก็คือว่าอย่าไปเสียเวลาทะเลาะ ก, กันขัดแย้งกันว่าวิธีนั้นดีกว่าวิธีนี้พรกคุูเน้นบ่อยๆว่าวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีนะทำบ้างไม่ทาบ้างนะเมื่อขี้เกียจอย่างนี้มันถือว่าคนทำไม่ดีไม่รับผิดชอบคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทามันไม่ดี ปฏิบัติเพื่อวางทรงวางฟรอร์มให้มันขังขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อจะเป็นผู้รู้มากนะผู้พิเศษเกิดอภิญญาต่างๆอันนี้คือเป้าหมายไม่ดีเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมท่าทางธรรมพุทธศาสนาโดยเฉพาะอริยสัจสีเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้เจ้าตรัสรู้นั้นพูดแต่เรื่องอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกข์พูดแต่สี่อย่างนี้ส่วนธรรมะย่อยๆแยกออกไปเป็นร้อยเล่มลดเหลืออยู่สี่สห้าเล่มลดเหลืยอยไปกี่เล่มก็ช่างเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาเวลาไปทําเรื่องพวกนี้พระพุทธเจไม่อ่านไม่ได้อ่านพัฒนบีโดกแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้ที่ในสายพุทธบันทึกไว้อีกยี่สิเจ็ดพระองค์น่ะจะเป็นพระกัตสปะ พ่อทีปังกอนแล้วแต่ก็ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกพระสมองค์แรกก็ไม่มีท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เจ้าได้อย่างไรเห็นไหมเนื่องจากทุกวันนี้เราไปอ่านเยอะขยะก็เยอะเอาเวลาไปอ่านไปตีความภาษาไม่มีเวลาปฏิบัติจริงๆมันก็เข้าไม่ถึงธรรมนะสิ่งที่ผู้เจ้าตัดสั้นนั่นนะ่ะคือความจริง สิ่งที่พระองค์ทรงสอนคงเต่องออกมาเป็นวาจาเป็นภาษาแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ภาษาแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์พระไตรปิฎกนี่เหมือนลายแทงเหมือนแผนที่นะพวกเราบุญเยอะมากเกิดมาปุ๊บไม่ต้องสแสวงหาใหม่เลยมีลายแทงแผนที่อยู่ที่ว่าเดินไหมรู้วิธีแล้วไหมรู้หมดเลยไปทางไหนทิศไหนอะสําคัญว่าเดินไหมนะอยู่ที่ว่าใครพร้อมที่จะเดินใช่ไหมเดินไปตามแผนที่นั้นระหว่างทางทุกคนจะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน บางคนจากกรุงเทพเดินทางมาวนมาในแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาบางคนเดินมาบางคนขี่รถเมมาบางคนเหาะมาบางคนขี่รถไกลมาแม้กระทั่งรับขับรยนมีหลายทางเห็นไหมมันมีเยอะมากเดินแบบไหนก็ได้แต่ขอให้มันมาถึงพราน่อยแล้วเราค่อยรู้ว่าอ๋อพราน่อยมันร้อนนะเออมันเป็นแบบนี้นะคนชื่อพระครูในพูดเสียงดังๆนะ เราต้องมาสัมผัสความจริงไม่ใช่ไปรู้แค่ตำราแล้วไม่เคยเดินทางไปเห็นมันเลยแล้วก็ไปนั่งทะเลาะ ก, กันนะเอาภาษามาตั้งโจทย์แล้วก็แปรบบนิพพานเป็นอัตตาหน้าคนนี้บอกอนัตตาแปรตามทิฏฐิมานะของตัวเองเราต้องปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนั้นน่ะผู้เจ้าใช้คำว่าใช้ภาษามาบอกแล้วว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตเห็นไม พระอไม่ได้บอกว่าใครเรียนเยอะจบดอกเตอร์แล้วคนนั้นจะเข้าใจเราไม่เคยพูดไม่เคยพูดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นธรรมคืออะไรธรรมะมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรสมัยก่อนพวะครูไม่รู้นะยน้อนหลังไปยีบห้าปีก่อนเคยมีพระภิกษุรูปมันเดินทางไปอเมริกามุ่งไปทํา พวกคณะน้องชายพวกคูพวกครูคุณแม่ก็เป็นห่วงมากพวกคูก็ไปสังเกตการท่านก็พูดว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมพวกคูก็ไปถามท่านว่าพระอาจารย์เห็นธรรมแล้วมันได้อะไรถามสั้นๆท่านก็ตอบเป็นชั่าวันมันพนทุกพวกครูให้เรารู้แล้วว่าจิตมันคืออะไรหลุดพ้นไปไหนดวงตาเห็นธรรมเนี่ยธรรมะมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรไม่รู้ แต่สนใจคําว่าคนทุกขนะ์เพราะตัวเองกําลังทุกข์อยู่สนใจคํานี้แต่ไม่ยอมปฏิบัตินะเพราะครูดื้อมากนะก็ไปสังเกตเขาทําอะไรก็ไม่รู้นะแต่สนใจคําว่าคนทุกข์พวกครูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นบุญมากเลยที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ทางโลกไปพูดอย่างนี้ได้ไหมคนไม่รู้คือคนโงไ่ไงเขาแปลว่าอาวิชาไปว่าคนไม่รู้คือคนโง่ทุกคนกลัวโง่ก็เลยเรียนรู้ใหญ่เลย เรียนจนจบยักษ์โตคุยกันไม่รู้เรื่องะักษ์โตสองคนตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องนะจบคณะเดียวกันรับปริญญาบัตรในวันเดียวกันออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวนายบอกอวิชชาคือความไม่รู้อ่คือความโง่หลังจากเรียนจบสูงสุดแล้วทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้แปลว่าความไม่รู้ซะหน่อยหนึ่งไม่รู้น่ะเพราะครูแปลตามภาษาครูว่ามันคือความรู้ผิด สังคมไม่ดีไม่ใช่เป็นเพราะคนไม่ได้รับการศึกษาแต่เป็นพวกคนได้รับการศึกษาที่ผิดคนไม่มีความรู้มันคอร์รัปชันไม่เป็นหรอกคนไม่มีความรู้ทํามันอยากได้มันขโมยเอาเลยมันต้นเลยมันคอร์รัปชันไม่เป็นชาวนาพูดภาษาควายไม่เป็นทําไมมันสอนควายไถนาได้เนาะเพราะเขไม่มีความรู้ไหมเขาไม่ต้องใช้ความรู้เลยจิตสื่อจิตเขาก็พามันทำมันก็ทำตาม นะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นนะฮะมีคนถามหลมวงพ่อชาวหลวงพ่อผู้ประสางกิจไม่เป็นเลยทำไมสอนฝรั่งได้ท่านบอกฝรั่งไม่ยากเลยจุงมไปจุงมมาเหมือนวัวเหมือนควายเดี๋ยวมันก็เชื่องไม่ใช่ทันพูดว่าฝรั่งคำว่าควายของท่านไม่ใช่ว่ามันโมนะไม่ใช่ควายมันดีกว่ามนุษย์หลายคนนะมันกินเจนะมันไม่ค่อยโกรธเลยนะเห็นไหม มันกินหญ้าอย่างเดียวมันอ้วนใหญ่เลยมันไม่มากเรื่องไม่ต้องกินอาหารเสริมไม่ต้องมีวิตามินอะไรมากมายไม่ต้องไปเรียนจนเหนื่อยแล้วก็มาทํางานงงงงงงหงและวก็เป็นทัานมีจังโงมีลูกนี่นะเห็นไหมหลวงพ่ชาท่านจบปหนึ่งเรียนแค่นักทําเอกสามปีเข้าป่าเลยตอนนี้สด็จทตอนท่านท่านอยู่ท่านสอนคนทั้งโลกเพราะท่านไม่ใช้ภาษาไงเห็นไหม ไอ้อังกฤษเขาก็ถามว่าหลวงพ่อไม่รู้ภาษาอังกฤษสอนยังไงท่านบอกเอาน้ำว่านมาแก้วหนึ่งท่านชี้ไปลูกศิษย์ที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยเอานิ้จุ่มลงไปมันจุ่มมันก็ร้อนเห็นไหมบอกไอเยลมันจุ่มก็จุ่มมันก็ร้อนไอ้คเนเนสจุ่มก็ร้อนท่านสอนเห็นความจริงท่านไม่ได้สอนภาษาตอนที่เอาภาษาสอนกันทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไงภาษาบ่งบอกนิสัยทุกคนหลงในภาษาเอาภาษา มาเข้าข้างตัวเองยิ่งพูดยิ่งเลอะเลือนมันก็พิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมาไม่มีพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งก็บรรลู้ทำได้แต่ตอนนี้มีพระไตรปิฎกจบป ร, ริญญาเก้าจบด็อกเตอร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองทําไมทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองล่ะปัญญาไม่ได้แปลว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริง รู้แจง้งเห็นจริงแล้วก็ทําได้วางได้พวกเราเต้นที่เราจเจริญผู้ชมอยู่นะวิ่งไปวิ่งมาทําไมไม่ชนกันหมุนอยู่นั่งทําไมไม่ลงถ้าไม่มีปัญญาหมุนได้ไหยนี่แหละคือปัญญานะไม่ได้ไปว่ารู้มากแต่ตอนนี้เราเรียนรู้แไปนั่งฟังกันเขาบอกเราอย่างนั้นเขาบอกเราอย่างนี้ไปอ่านหนังสือไปจํามันเป็นแค่ ค, ความจํามันไม่ใช่ความจริงความจริงคือว่า คุณต้องทําได้คุณต้องวางได้คุณต้องทนทุกได้ไม่ได้แต่ว่ารู้มากแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าวิชาการต่างๆเราเรียนรู้มันผ่านในรูปของภาษามันก็เลยวุ่นวายไปทั้งโลกเพราะภาษามันไม่ละเอียดเกินไปว่าทุกคนอ่านปุ๊บเข้าใจเหมือนกันมันจึงเกิดลัทธินิกายมากมายเมื่อกี้พุ่งสนทนากับพระอาจารย์อยู่พระอาจารย์สาธรมิปพระครูอยู่ทางเหนือก็โทรมาโทรมาตอนนี้ พระคุณเจ้าคูบาจารแลหลายวัดนี่ร้อนได้หมดเลยเพราะมีคนกำลังสร้างรัฐที่ใหม่ขึ้นมาโดยทุกก็อ้างคำสอนพุทธเจ้าพุทธโอวาตะลรเนี่ยนะอารวาสไปทั่วตอนนั้นพวกครูเอาเด็กยากจนที่สังคมเขาไม่เอา ล, ละละยี่สิบคนมาอยู่ที่นี่นะแล้วให้พี่พูกเรานี่ดูแลกับมีคนหนึ่งชื่อคูนก สองคนนี้ดูแลดูแลไปมามาลาพระครูไปบวช ด, ดีกว่านะไปบวชสามนินรีอยู่นครปฐมตอนนั้นใครมียลม อ, อยากไปพระครูส่งเสริมรัฐที่ไหนก็ได้ไปเออพี่แก้วเรากับปุ้ยกับไอเนี่ยสามคนเมียลมอยากมหายาณไปไปรับศีลมหายาณ น, นะที่นี่พระครูไม่มีลัที่นิกายพระครูยอมรับทุกๆกอารมณ์ทุกๆกๆจริป ที่ปุ๊บเขาก็ไปอยู่ที่นัน่นน้าว่าก็ไปบวช ด, ด้วยกั น, นทุกคนหมกเครียดมากแต่เราได้ฝึกขันติฝึกนะขันติแล้วเขามาเล่าให้พวกคราฟังว่าภิกษุณีนั้นน่ะึี่เป็นด็อกเตอร์ท่านพูดให้ฟังว่าท่านไปประชุมนานาชาติครั้งหนึ่งมีองค์ดายลัลมะเป็นประธานสงฆ์คณะที่ประชุมภิกษุณีด็อกเตอร์ท่านนี้เนี่ยก็เสนอ ให้องดัลามะนี่เป็นประธานฟื้นฟูภิกษุณีพวกภิกษุณีโลกไม่รู้ภิกษุณีนี่ถูกยึดไปเมื่อไหร่พ่อครูก็ไม่รู้นายบอกทำตามพระพุทธเจ้าไงพระเจ้าเป็นคนตั้งภิกษุณีแล้วพวกเราไปยุบทําไมล่ะมิจะอ้างพุทธเจ้าแล้วคนเมืองไทยเราก็ไม่ยอมรับภิกษุณีด้วยแล้วอ้างคําสอนพุทธเจ้าปากว่าตาขยิบภิกษุณีนั้นไป นมัส ก, การองค์ดารามาะบอกให้เป็นประธา น, นพื้นภูภิกษุณีโลกท่านตอบว่าอย่างไรท่านตอบว่าอาตมาไม่บังอาจสงสัยต้องรอพระทีเจ้าองค์ต่อไปขนาดถ้าอย่างท่านยังไม่บังอาจเลยไม่กล้าวางตัวเป็นเจ้าของศาสนาแต่ตอนนี้เมืองไทยเรามีคนวางตัวเป็นเจ้าของศาสนาฉันเป็นพูทแท้เธอเป็นพุทธเทียมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าใบิดเี้เล่มจริงๆเนี่ยเปิดออกมาไม่มีตัวหนังสือเลยมันของแท้แต่มีตัวหนังสือไม่ว่ากันไงทุกคนอ่านปุ๊เข้าใจไม่เหมือนกันพระเจ้าบวกอยาเพิ่เชื่อตำลาอ่านแค่สังเกตคุณต้องลองปฏิบัติดูก่อนซึ่งเจ้าชายเสือทาเนี่ยลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษาเห็นไหมท่านผ่านการปฏิบัติก่อนปฏิวัตเกิดขึ้นทีหลังพวกครูหลายปีนี้เนี่ยผู้รู้เนี่ย อ, อครูบาอาจารย์มาแลกเปลี่ยนพวกครูเยอะนะทุกคนก็อ้างผู้ดีเจ้าทั้งนั้นแหละนะพวกครูก็มีสิทธิ์อ้างเหมือนกันนะพวกครูก็เป็นลูกศิษย์ผู้ดีเจ้าเหมือนคนใช่ไหมก็ต่างคนต่างอ้างก็เป็นไรก็ต่างคนต่างทํำสิใช่ไหมล่ะใครวางตัวเป็นเจ้าของศาสนาพวก ค, ครูเคยถามว่าใครเป็นเจ้าของศาสนาพาพวกครูไปหน่อยอยู่ในดาวังคารพวกครูก็จะขอไปจะไปขออนุญาตท่านเวียงไปขอไลเซน วิธีเบียงใช่ไหม <c oughs> อันนี้อะไรกันไม่นาไปลงหยิมหยิมมาอุ้ยพระสงฆ์ที่ไหนวัดไหนเนีย่ยฉันสองมือนี่ไม่ใช่พูดแทต้องมือเดียวอย่างนี้มหายานเขาฉันสามมือท่านสามสามมือท่านก็ไม่ใช่พูดแท้มันเรื่องไรสาละมาสร้างประเด็นให้ขัดแย้งกันเฉยๆไม่มีเรื่องก็ทําให้มีเรื่องปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติ พระครูก็เคยถามผู้รู้ว่าเมื่อท่านอ้างพระพุทธเจ้าพระครูถามว่าแล้วแล้วท่านทําตามพระพุทธเจ้าหรือยังเขาบอกทําทํำยังไงพระพุทธเจ้าไม่เคยอ่านเขาจะ บ, บิดเียงเลยท่านไปอ่านทําไมท่านถึงมันเลยสงสัยทุกวันนี้ไงแทนที่จะเวลาปฏิบัติให้มันพน้พนทุกพ้นทุกแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะทำยังไงก็าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้เท้ายวไปจับผิดจับผิดคนนั้นน่ะท่านท่านท่าน ท, ท, ท, ทำต า, ตามพระเจ้าหรือยัง พระครูก็ถามว่ามีใครมีความรู้เท่ากับพระอา น, นุนหรือใครยกมือขึ้นใครบังอาจมีความรู้เท่ากับพระอา น, นุนผู้เจ้าตัดคาไหนจดบดเป็นพระเลขาดูแลไม่ใช่เหตุรู้ว่าผู้เจ้าสอนอย่างไรนะรู้วัดปฏิบัติของพระองค์ด้วยเห็นหมดเลยทํำไมพระอานุนไม่บรรลุธรรมเกิดไปไม่ทันนะอมก็จะไปรู้อยู่นั่นแหละ เห็นไหมมพนกสูดนแล้วว่ารู้มากยากนา น, นาพุ่งนีเช้าพระอนุนเนื่องจากอวุโสที่สุดต้องไปเป็นประธานพระอริยสงฆ์ไม่บรรลุธรรมอรหันต์ไปไม่ได้คืนนั้นน่มื่บงบังเป็นเพียรถึงสว่างเลยแต่ก็บรรลุไงนอนพักดีกว่าพอก็เราจะนอนพักบรรลุกล า, างอากาศถามว่าสูตรไหนมีไหม พระไตรปิฎกมีไหมในกรรมฐานสี่สิบมีนะไม่มีสูตรพระอานุนไงถามเราเรียนแบบไดไม่ได้ส่วนจะบรรลุหรือเปล่าตัวใครตัวมันการศึกษาพุทธศาสนาต้องเปิดจิตให้กวา้วางๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในรูปแบบวิธีการอะไรมากมายนะักแต่นั่นเพ่มไม่ใช่มันไม่ดีผู้เจ้าก็เตือนแล้วอย่าเพิ่งเชื่อที่ทำต่างๆกันมาเพราะมันไม่ทันยุคทันสมัยตอนนี้กิเลสมันใช้จีสามจีสี่แล้ว เราโมจะขี่ตุกๆะะขี่คอช้างถือเนี้ยถืองาฟันดาบมันจะทันมันหรือเปล่าผู้เจ้าบอกเป็นปตามเหตุและปัจจัยมันเปลี่ยนคําว่ารู้ธรรมไม่ได้แปลว่ารู้มากไม่ใช่รู้วิชาการรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกมันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังมนนตาแล้วต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของมันไม่งั้นเราทุกข์แน่เห็นไหม อีกไม่กี่วันก็จะเปิดอาเซียนแล้วฉันไม่สนใจฉันจะอยู่ของฉันนี่แหละพอมันเปิดมาเป็นยังไงรู้ไหมเราตายแม้กระทั่งกรรมกรก็ถูกแย่งงานเห็นไหมเราต้องรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องเตรียมตัวนะตอนนี้กิเลมันต้องเรวมันขี่จรวดมันใช้อาวุธหนีเขี่ยเราลงพุ่งลงว่าจะไปฝึกฟันดาบถือเยวถืองาจะไปสู้กับมัน นี่แหละคำตอบว่าทำไมต้องเสียงดังทำไมต้องเร็วทำไมต้องแรงก็โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแรงมากส่วนหลักการคำสอนพุทธเจ้านั้นอีอกกี่ล้านปีใครบังอาจอย่าไปเปลี่ยนเพราะมันคือสัจธรรมของโลกของจักรวาลใครเ็าเปลี่ยนไม่ได้อันนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาหรอกแต่อุบายวิธีในการฝึกปฏิบัติมันต้องทันกับความเปลี่ยนแปลงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ แต่ น, นี่ไปอ้างคําสอนพระเจ้าไปยึดมั่นถึงมันกับรายละเอียดไปจุกจิกจี้จี้อถ้าพระสงฆ์เมืองไทยเราเนี่ไปใส่กันเก่งเนี่ผิดวินัยไปจําเรื่องผิดพวกนี้อย่างนี้การใส่กันเกงก็มารู้ทําไม่ได้เนี่ยถ้าอาจารย์มหายานท่านก็นุ่งนุ่งนุ่ ง, งกันเก่งหมดท่านก็ผิดวินัยสิเห็นไหมเรื่องนี้มันเป็นแค่อุบายวิธีการอยู่เรื่องแต่และชุมชน ชนภ่าวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันมันเป็นยุคที่พวกครูถ้ามีใจบอกตกใจเกิดอะไรขึ้นมิคนกลุ่มหนึงวางตัวเป็นเท่ของศาสนาชี้ถูกชี้ผิดถ้าใครเชื่อฉันก็คือพุทธแท้ใครไม่เชื่อเป็นพุทธเทียมถ้ามีพุทธแท้พุทธเทียมพุทธไม่ใช่พุทธมันเป็นของคู่ไงผู้เจ้าสอนเดินทางสายกลางไงไม่มีของคู่ อันนี้ไปแยกของฉันถูกของเธอผิดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พุทธคาว่าพุทธจริงๆพระองค์สอนเรื่องนาน า, นาจิตตังเห็นไหมผ้าผ้าอนุก็อีกแบบห น, นึ่งมีนะพกกูไปอินเดียนะพระ้ า, าจารย์ที่เบีท่านหนึ่งเห็นไหมท่านกราบไหว้เน่ะท่านเทไปทั้งตัวเลยท่านทิ้งไปทั้งตัวเลยเกือบมันฟุกนะเวลานั้นมันวางมันอาจจะว่างได้นะเห็นไหมทิ้งมันไปเลยทิ้งมันไปเลย บางทีวินาที่นั้นจิตมันวางแล้วมันก็ว่างอาจจะมันรู้ทําได้ด้วยน ะ, นะก็เป็นเทคนิคของท่านเห็นไหมถ้าบ้านเราว่าให้ให้สํารวมว่าอย่างนี้ได้ยังไงเห็นไหมละ่ะเราเข้าใจคําว่าสํารวมเนี่ยคาดเคลื่อนนะสำรวมไม่ได้แปลว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทสํารวมระวังสํารวมอินทรีย์ไม่เบียเดเบียนตัวเองและผู้อื่น เราไปติดบล็อกตัวนี้ติดบ่วงรูปแบบวิธีการก็เลยเกงไปหมดเครียดไปหมดถ้าติดพวก่อนี้นี่ติดแม้กระทั่งผมทุลีนิดเดียวเองก็หลุดพ้นไม่ได้จิตต้องอิสระที่สุดอันนี้เราเสียเวลาไปติดเรื่องยุงยุ่ยุ่งยุงแบบนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้มานั่งทะเลาะ ก, กันขัดแย้งกันในศาสนาเดียวกันขัดแย้งกันจะไปพูดว่าเราจะคุยกับศาสนาอื่นรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมละ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มีสาระอะไรมากมาย พวกครูก็สงสารสังคมนะทุกวันนี้คือเอาความรู้แบบวิชาการมาเป็นมาเป็นปัญญามันคนละเรื่องมันคนละเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง น, นะตอนนี้เนื่องจากว่าคนมาใหม่ก็มีแล้วก็คนเก่าเหมือนกันนะจริงๆแล้วเรื่องนี้พวกครูพูดไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะแต่มีคนเกินกับพวกครูมันก็เลยแบบขึ้นมาคือเป็นเรื่องสําคัญของของทุกคน นะพวกครูเคยพูดเรื่องรถติดลมถ้ารถติดลมเราจะทํำยังไงเห็นไหมเป็นสามันสํานึกพวกครูเห็นอ่ไปแอมดูไปนั่งอยู่รถที่มันมีคนอ่ะคนนี้ติดลมปุ๊บมันก็ลงมาไปส่องดูทํำยังไงจะแก้ไขาหาวิธีออกจากลมทุกคนเห็นไหมเป็นสัญชาตยานเห็นไหมรถติดลมทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากติด แต่พอติดุทุกคนาหาวิธีหลังจากเข็นแล้วไม่เอาเดินเล่นยังไงมันยิ่งติดมากขึ้นโอเคโทรให้เขาเอามาลากคือเราหาวิธียังไงก็ได้ต้องการออกจากลมก็เป็นเรื่องถูกต้องแต่ชีวิตติดลมเราไม่เคยคิดจะหาทางออกเลยทุกวันนี้ชีวิตเราติดลมนะทำแต่เรื่องจำเจซ้ำซากหลายชาติมาแล้ว้องพยายามหาทางออก เพราะเราชะล่าใจเกลียดมันบอกไม่สนุกเห็นไหมยี่สี่ชั่วโมงของเราวันหนึ่งเนี่ยจะแก้ปัญหาที่เราจะสร้างฐานะสร้างอนาคตก็ยังไม่พอเลยเราจะเอาเวลแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราติดลมเราเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แหละเดินเก่ ง, กงๆหางกันเยอะๆแล้วก็รวยเรามั่งทั้งแล้วจะมีความสุขเราไม่ได้คิดว่ามันคือติดลมเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้ติดลมอย่างแรงเลยนะ ติดลมอย่างแรงเลยนะนะรถติดลมบางทีเราไม่ขึ้นไม่มีใครมาช่วยเราล้วก็เดินไปก็ได้นะแต่อีติดลมชีวิตนั่นเราอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้กี่รอบแล้วแต่เราไม่เคยหาวิธีจะออกจากร่มเลยเพราะเราไม่รู้เกิดมาเขาก็สอนให้เราสร้างอนาคตสร้างอนาคตอนาคตอยู่ไหนอยูนน่นู่นนู่น คือความก้าวหน้าต้องก้าวไปข้างหน้ามันน่ากลัวมากแต่ถ้าเราจากติดลงออกจากติดหลงของชีวิตติดลงในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างหน้ามันต้องถอยเข้าไปข้างในมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากเพราะว่ามันออปสิทธ์ไงอยาา ก, ก้าวหน้าต้องถอยหลัง ทีเราติดลมชีวิตนั้นเพราะเราถูกใส่โปรแกรมเข้าไปตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ถูกตั้งชื่อแล้วเราก็หลงว่าเราชื่อบัญชานะอันนี้สักยัติติหลงในตัวตนมีอัปตาขึ้นมาอันนี้คือสร้างทิฏฐิให้ตัวเองคือสักยทติติหลือ ว, ว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเรา แล้ก็ถูกกบเกินในความรู้ผิดตรงนี้กลายเป็นทิติมานะตรงนั้นทิติมานะอยู่ในนี้เนาะนะีไอสังโยชน์ทั้งสิบเนี่ยมันเป็นกิเลสละเอียดมันคือที่มาของการสร้างกรรมทั้งปวงล่ะด้านานี้บา ร, รมีทั้งสิบเนี่ยนะเป็นตัวกุศลนะเป็นตัวทังลายกําลังตรงนี้ให้มันอ่อนลงนะ ตอนนี้มันยังมีของคู่อย่างนี้อยู่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานแล้วเนี่ยเราจะถูกกระแสสองด้านนี้เนี่ยเราอยู่ในภายใต้อานัตสองด้านนี้มาตลอดโดยเฉพาะไอ้สัมยชิสิท์ตัว น, นี้นะไอ้ตัวนี้เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เราสร้างกรรมเราติดหลงโดยเราไม่รู้ตัวเราก็ไม่หาทางออกจากหลแล้วพอใจในชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ หางินหาเงินรวยเต็มที่แล้วนะบางทีวันที่จะตายมันยิ่งรวยนะยิ่งตายไม่ลงนะบางทีกลัวทรัพย์สินใครจะมาแย่งลูกเราหรือเปล่าลูกมันจะบริหารเป็นไหมเห็นไหมละ่ะไอโปรแกรมสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดความมีอารมณ์แบบนั้นนะ่ะมันจะเกิดมาอยู่อยู่แถวนั้นอีกนะอาจจะเกิดเป็นหนูเป็นมแมลงสาบเป็นตุ๊กแก มาเฝ้าบ้านลูกนะมันจะกลับมานี่คือเราติดลมในวัฏฏะสมสารไยรถติดลมเรารู้จักเติมเงินขึ้นแต่ชีวิตติดลมเราเฉยเพราะเราชล่าใจคิดว่าชีวิตของเราต้องเป็นแบบนี้นะอันนี้เรื่องสำคัญมากก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณบรรณสิงประเสริฐกุณมาทำ ถ่ายทำที่นี่หกวันคุยกับพระครูยเยอะวันสุดท้ายก่อนจะกลับเขาก็ถามคำถามสุดท้ายว่าพระครูจะพูดอะไรกับคนยุคนี้บ้างพระครูก็บอกว่าหันมาถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่เพราะเราถูกตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดทุกคนเกิดมา ก, ก็ถูกใส่โปรแกรมว่าเธอต้องต่อสู้เพื่อสร้างฐานะเพื่ออนาคต ถ้าอนาคตเธอมีฐานะที่ฐานะคือว่ามีเงินเยอะก็แล้วกันนะเรียกว่าเธอจะมั่นคงแล้วเธอจะมีความสุขเพราะครูว่าไปพิจารณาดีๆว่ามันใช่หรือไม่เมื่อเราตั้งโจทย์ชีวิตผิดแล้วเนี่ยเราทำถูกแค่ไหนมันก็ผิดเพราะเป้าหมายมันผิดไงวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายมันไม่ดี ไหมเพราะเป้าหมายที่เราสร้างอนาคตมันอันลิมิตมันไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่มีขอบเขตจำกัดมันไม่มีวันสําเร็จสําเร็จแปลว่าเสร็จแล้วมันไม่มีวันเสร็จแล้วถ้าเราปูกฝังต้องการเสร็จแล้วก็ถึงเวลาวาลานั้นระวางไม่ลงนะมันจะเกิดมาอีกหลายคนตอนนี้พูดพุทกิเลหมันสอนพูดว่าให้ยยุคนี้ปฏิบัติยากอย่าปฏิบัติเถอะกิเลสมันเยอะนะ เอาเไปทําบุญเยอะๆจะได้เกิดไปยุบภาษีอานวิเพชรเม็ดงามต่อหน้าไม่เอาถัดวันประกันพุ่งจะไปยุบภาษีอานไปนแน่ๆยุกนั้นเราเกิดนแน่ๆอาจจะเป็นหนูเป็นมแมลงสาบก็ได้เห็นไหมบางคนวางตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีเมตตามากจะส่งสัตว์โลกข้ามวัตฏะทั้งหมดเลยเขาจะเป็นคนสุดท้าย ฟังแล้ยิ่งใหญ่มากและสุดท้ายจริงๆแล้วก็ทําลายวัตนต์นี้ไม่ได้ด้วยนี่สอนกันแบบนี้ไงถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องแต่เขายังเอาอยุคพุทธเจ้าให้คนกราบไหว้อยู่เพื่อให้ทุกคนทําบุญเอาเนื่อหนาบุญพุทธเจ้ามาสร้างศรัทธาถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องเจ้าชายสิทธัตถะผิดไปก่อนทําไม ไมไม่อยู่คนสุดท้ายตอนนี้มันเลื่อนเรือนหมดแล้วมันเลื่อนเรือนหมดพระครูก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนนึงอยู่ในาศาสนาใครไม่อายพระครูอ้ายาศาสนาเป็นพี่เลี้ยงของสังคมทุกๆศาสนามีาศาสนาไว้ทำไมล่ะก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ข้อคิดเตือนสติ แต่ตอนนี้ศาสนาถูกคนในสังคมตั้งคณะกรรมการมาปฏิรูปศาสนาพราะครูอายใครไม่อายก็ช่างพ่อครูอายไอตัวศาสนาเองตัวคําสอนพระเดจเจ้าเนี่ยไม่มีวันเสือ่อมศาสนาพุทธก็เป็นแค่ชื่อเรียกเขาจะเปลี่ยนชื่ออื่นไม่สําคัญแต่คําสอนพระเดจเจ้าอีกกี่ล้านปีมันเป็นสัจธรรมความจริงใครก็เปลี่ยนไม่ได้พ่อครูไม่กังวลแต่คนในศาสนาไม่ระวังกัน เห็นไหมเราอนุรักษ์ที่เราเคยชินเราไม่รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วก็ถูกไอความคิดแบบทุนนิยมวัตถุนิยมเนี่ยมาเกลืนหมดและถูกความคิดแบบตักกะแบบเรียนทีละขั้นมากกลืนหมดจนไม่ลืมหูลืมตาว่าโลกมันเปลี่ยนตันหมดแล้วล่ะพวกครูเคยพูดว่าตอนนี้ศาสนาคริสต์เนี่ย เขามีคนนับถือวันนั้นมีบริษัทหนึ่งเขาเขาไปทำวิจัยนะสองพันสามร้อยล้านคนหนึ่งในสามของโลกอิสลามมีพันหกร้อยล้านอันดับสองฮินดูอันดับสามหนึ่งพันล้านคนมันมีสี่ศาสนาใหญ่นะ พุทธของเราไม่ใช่ที่สี่นะพุทธของเราที่ห้ามีหกร้อยล้านคนทั่วโลกคนที่สามมันคือคนไร้ศาสนามีแปดรอยล้านคนและคนไร้ศาสนากำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะาศาสนาทำให้เขาไม่เห็นเขาไม่ศรัทธาสี่ศาสนาใหญ่ๆพุทธเราอันดับห้าส่วน อ้ที่หกนั้นนั่นพวกถือผีถือสางพวกนี้ก็ออกไปจากพุทธพวกไรศาสนาก็ออกจากพุทธแต่ศาสนาอื่นเขามากขึ้นเราเอาลูกหลานเราก็ไม่อยู่เลยเพราะว่าลูกหลานเราไม่ศรัทธาพ่อแม่ยังทะเลาะ ก, กันกินเหล้าเมายาแล้วบอกลูกถือศีล น, นะเราคิดว่าศาสนาพุทธเรายิ่งใหญ่ดูตัวเลขแล้วเป็นยังไงสีศาสนาใหญ่ในโลกนี้พุทธเราอยู่ที่ห้า แล้วไอ้หมวดที่ไล่ศาสนากําลังจะเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าเรามาพูดกันเพื่อจะแข่งกับศาสนาอื่นผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพระุทธเจ้าพ่กครูไม่เคยเห็นว่าเออพ่อครูไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกนะครูบาอาจารย์มาอยู่ที่นี่แลกเปลี่ยนกับพ่อครูให้ท่านเทศบ้างอะไรอะไรเนี่ยพ่กครูไม่เคยอ่านแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยสอนคุมแบบคุมถุงชนศาสนาพุทธสอนให้เราเกิดปัญญา ไม่มีใครกล้าพูดว่าอย่าพิ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นอาจารย์เราแต่ศาสนาอื่นเขามีงเงื่อนไขอย่างนี้คนเก่าไม่ให้ออกใครจะแต่งงานกับลูกสาวเขาลูกอะไรเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนศาสนามาอยู่กับเขาอันนั้นเขารักษาปริมาณแต่พุทธเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เจ้าบอกดอกบัวสีเราไม่ใช่ต้องการปริมาณหรอกนะ แต่มันพิสูจน์ว่าไอศาสนาตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่คําตอบของคนรุ่นใหม่แค่ลูกหลานเราเนี่ยเขาก็จะไปเอาศาสนาอื่นแล้วเพราะเขาไม่เห็นว่าศาสนาเราเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตเขาเลยเพราะว่าเราไปยุ่งกับเรื่องเปลือกกับพีเราไม่ได้สอนให้เขาเห็นแก่นเขาก็แก้ปัญหาชีวิตเขาไม่ได้บางคนทําบุญทําบุญทําบุญทําบุญแต่กลับบ้างก็ไปทะเลาะ ก, กับคนที่เรารักกันแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ ไปเข้าค่ายปฏิบัติจับไปเป็นหุ่นดลปิดวาจาห้ามพูดจากันสิบวันสิบห้าวันรู้สึกสบายมากเลยไม่ต้องเปื่องูไม่ต้องได้ยินเสียงตัวเองก็ไม่ต้องพูดแต่กลับไปบ้านต้องพูดแก้แค้นเพรไม่ได้พูดมาสิบวันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะที่นี่มีอะไรเอาออกมาให้หมดเลยกลับบ้านจะได้ไม่มีแรงพูด นี่คือขัดเกาจิตให้ป่องใสไงไม่ใช่ไปง้างกดมันไว้ธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมาลัยธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดาหิวก็กินง่วงก็นอนรู้ตื่นเบิก บ, บานไปนั่งเคียดกันทาไม นี่คือความจริงบางคนมาอยู่ศูนย์เนี่ยมาวันสองวันแรกรอะโู้สบายสบายอิสระมากเลยอยู่ไปอยู่มาชักอยกู่ยากผู้ครูบอแล้วนะที่ศูนย์นี่อยู่ง่ายๆแต่อยู่ยากยากเพราะมันไม่กติกามันไม่ได้บังคับเลยแล้วปฏิบัติอยู่ๆเดี๋ยวน้องบุญส่งนเขาอยู่เขาก็ามาเต้นกับเรา เด็กวิ่งเสียงดังๆเลยถ้าเป็นที่อื่นได้ไหมคนที่มาติดจลิตที่ว่าต้องการนั่งเงียบๆเงนี่ยมาอยู่ศูนย์ไม่ได้ที่นี่เด็กมันก็เป็นอย่างนี้ไงคนนี้นิสัยที่บ่นมันก็บ่นไงคนนี้มันพูดเส้นดังก็พูดไงนี่คือธรรมะไงธรรมะกบทรงทําเป็นหุ่นดลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นที่สุดแห่งพรมจันท์ ที่เราได้ประโยชน์กับการเล่น น, นิดนึงเพราะว่าเขาทําให้เราเห็นอารมณ์เราเขาคือกระจกส่องเรานั่นยห ล, ล ไ, หได้ประโยชน์แล้วเห็นเสียงมันมันไส้พูดดังๆมันไส้ไม่ เ, เห็นหมันไช้แล้วยังเราต้องฆ่ามันไช้สิ้งซะไม่ใช่ไปไหว้เขาเธอทํำไมเสียงดังเราต้องเอาบอกไม้ทูปเทียนไปไหว้เขานะ ที่เขาทําให้เราเห็นอารมณ์เราไม่ใช่ไปฟังเทศฟังธรรมพูดเพราะๆเนิ่มๆเหมือนไปดูลิเกอุ้ยปากตุ้งดีใจเอาขิ้เหรกลับบ้านไม่ได้ปัญญาอะไรเลยไม่มีประโยชน์ใครทําให้เราเห็นอารมณ์เรานั่นแหละรีบเอาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เขาขอบคุณเขาได้ประโยชน์ไงวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วไง ต้แก่ที่ตัวเองไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นที่นี่ไม่มีกติกาเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องถ้าตั้งกติกาปุ๊บมันจะมีคนผิดกติกาแล้วจะมีคนจับผิดกันตอนนี้ไม่มีกติกามีอะไรคุยกันไม่มีกติกาก็บางทีขัดแย้งทางความคิดบ้างก็มีไม่ใช่ไม่มีเพราะไม่ใช่ทุกคนมาอยู่ศูนย์ปุ๊บเป็นพระละหันกันหมดไม่มีมิตรหมูหัน ก็เป็นอย่างนี้ของมันนะก็เป็นอย่างนี้สิเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาเป็นครูบาอาจารย์อย่างยิ่งอย่าไปโทษนะ อ, อยู่ยากอย่ยางนี้ได้ทำไมมันเสียงดังมันยุ่ดยายมันไม่มีเหลบียบระเบียบยินัยในป่าดเด็กๆไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีระเบียบยิในใดนะสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างสันติเสรีโดยแท้นกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่าแต่มหึดเรามากเรื่อง กูของกูเห็นไหมล่ะก็คืออยู่แบบธรรมชาตินี่ไงบางทีมันเหยียบขากันบ้างอย๋ยว่าจะเหยียบขากันสองคนขึ้นไปนะเดินชนกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดามันคนเรามันอาจจะผิดพลาดได้บางทีฟันเรามันยังกัดลิ้นเราเลยถามว่ามันอยากกัดไหมมันไม่อยากกัดหรอกแต่บางทีมันก็เผลอสติได้ทีนี้ถ้าเกิดเผลอสติเนี่ยแก้ยังไงไม่ต้องแก้เลย อภัยทานก็จบเห็นไหมไม่ต้องแก่ถ้ามันมีคนผิดเราจะให้อภัยใครเหรอเห็นไ้ยถ้าคนนี้เขานั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าฉันให้อภัยเธอนะเขาเหมองหน้าเราบนทีเตะเราด้วยนะมันให้อภัยกูทำไมก็มีคนผิดไงเราได้ให้อภัยเราได้บุญกุศลอย่างยิ่งเลยอภัยทานเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกๆุกอย่างวัตถุทานเนี่ย นะสลัดความโลภความตเนี่ออกไปก็ <S <S ขัดเกาจิตให้ผ่องใสระดับหนึ่งนะมันก็เบาอยู่ระดับหนึ่งสงว่วนได้สิบสิบสิบเปอร์เซนต์เขาบอกว่าการให้ทำเป็นทานยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงนะการให้ทำมาทานเนี่ยคือเราไม่เหนียวความรู้เราก็ให้มันได้ในวงกว้างเห็นไหมนั่งหลายสิบคนเป็นร้อยไดทันทีเลยมันออกในวงกว้างแต่ผู้ให้เนี่ย เราไม่เหนียวความรู้เราทุกวันนี้เหนียวไหมเหนียวนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรเนียลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แม้กระทั่งตอนนี้พ่อครูเขียนหนังสือสารชั่วโมงมาดูทำบางคนแยงแ้งว่าพ่อครูเอาคําพูดของคนนั้นคนนี้มาว่าอาใัยโอขนาดคําพูดมันจะลิขสิทธิ์เลยเนาะ อ, อย่างทุกวันนี้สมมติว่าเขาบอกเ p e ซี่ดีที่สุดคําว่าดีที่สุดเรามาใช้ไม่ได้นะเขาเอาภาษามนุษย์จริงไม่ใช่ บางพระบุตเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเอามาเป็นของตัวเองอ่ะนะทุกคนก็ปรีพระเจ้าหมดแล้วแหละพระองค์ยินดีแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ฉันพูดก่อนฉันได้กรสิทธิ์เธอห้ามพูดตามฉันพวกครูนํามาใช้หมดหละครูบาอาจารย์รูปไหนองค์ไหนคนไหนที่เขาเป่องออกมามันใช่พวกครูก็เอามาถ่ายทอดให้พวกเราได้ประโยชน์พวกครูไม่มีละทีนี้กายมันไม่มีความรู้สักอย่างปัญญาเป็นของครกครูสักหน่อยหนึ่ง แต่ทุกวันนี้ลิขสิ์กันให้ธรรมทานกันไม่ได้เนี่ยธรรมทานได้มากกว่าวัตถุทานสมมติาวัตถุทานได้1 0บเซการให้ธรรมทานได้ส0มสิบบวกกันแค่4ี่สิบคือผู้ให้เนี่ยเนื่องจากไม่เหนียวความรู้ยังเสียเวลาเสียเสียกำลังมาเปล่งเสียงให้เราอ น, นิษฐสนก็ได้ส0สบปซตบวกกับวัตถุทานเป็น4ี่สิบยังไม่ถึงครึ่ง สู้ให้วัด ใ, ให้ให้อภัยทานแค่ครั้งเดียวให้คนเดียวเอ้อ น, นิสงส์มันเกิดขึ้นจากคนเดียวเท่านั้นเองเราให้อภัยเขาได้คนเดียวแต่อ น, นิสงส์เราได้หกสิบเพราะเราไม่ต้องแบกภูเขาข้ามภบข้ามชาติแบกพยาบาทตรงนี้ข้ามไปเราได้เยอะมากเขาดูว่าอภัยทา น, นง่ายที่สุดไม่ต้องเปล่งเสียมออกมาไม่ต้องเสียสตังแต่ได้อ น, นิสงส์มากที่สุดแต่กิเลสมันไม่ยอม มันกลัวเสียเปรียบก็มันผิดไงแต่ เ, เราถูกไงอ้าวก็ใช่ไงถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครเหตุทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองพวกคุณทั้งเตือนว่าอย่าไปแย่งงานยมพบาลธรรมนะไปตัดสินคนนั้นคนนี้นะยมบาลโกรธมากพังเผือตกนังลกลงไปเนี่ยนะเพว่าการรมที่เราสร้างมาเนี่ยต้องติดคุกสิบชาติยมพบาลหวกเข้าไปอีกสิบชาติเป็นยี่สิบชาติเพราะเนื่องจากไปแย่งงานยมพบาลรม ไม่ใช่หน้าที่เราทางโลกเราก็ไม่ใช่ศาลทางธรรมาก็ไม่ใช่ยมบาลนิ่งเฉยตำลุงทองที่เรานิ่งไม่ได้ถ้าเราไม่มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาไอ้นี่ไม่ใช่รู้เฉยๆนะทุกคนรู้หมดไม่รู้จบดอกเตอร์ไม่ได้หรอกจบปริญญาตรีไม่ได้รู้หมดแต่ทําไม่ได้ยังทะเลาะกันอยู่ยังแย่งชิงกันอยู่ว่าฉันพูดแท้เธอพูดเทียมพูดจริงๆหนิ่ม ถ้าเข้าถึงจริงๆเนี่ยมันไม่มีแท้มันไม่มีเทียมมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วแท้เทียมถูกผิดดีชั่วเป็นภาษามนุษย์ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วมันจะมีธรรมะได้อย่างไรปัจจุบันถ่ายทอดเพรามันมีถูกมีผิดมีของเธอของฉันมันจึงไม่ใช่ธรรมะไอ้ธรรมะที lek, ่แท้จริงไม่มีธรรมะมันแปลว่าอะไร เรามองเรื่องริบบานั่นที่เราเรียกว่าต้นไม้เขียวๆอะไรเนี่ยต้นไม้จริงเหรอมันอยู่ได้ล้านปีไหมทาไมฝรั่งเรียกว่า trees ทำไมคนจีนเรียกว่าสู้มันก็ไปแค่สมมติชั่วข่าวมันก็เป็นอนัตตานี่แหละธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะแต่ปัจจุบันถ่ายทอดว่าของแท้ของเทียมเนี่ยมันจริงไม่ใช่ธรรมะมันเป็นของภาษามนุษย์ ภาษามันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วเพราะครูถามภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เด็กมันเรียนประวัติศาสตร์ก็รู้พ่อคุณรามตั้งขึ้นมาสมัยยุคนั้นแล้วก่อนหน้านั่นละ่ะใช้ภาษาอะไรมันเป็นภาษาที่เราสมมุติขึ้นแล้วก็คิดตามภาษาพูดตามภาษาทำตามภาษาทำตามสมมุติเราไม่ทำตามสัจธรรมความจริงนี่แหละที่เราให้ฟังว่าลถติดลมเราก็รู้จักเอามันออกจากลม แต่ชีวิตติดลมเนี่ยทําไมพวกเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ชล่าใจเลยเลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะไม่ใช่เรื่องชาติเดียวถ้าเราย้อนหลังไปดูกองกระดูกเราสมัยเป็นเสือเป็นหมูเป็นห ม, ũ, เนหมาเป็นแมวเป็นช้างเป็นคนจนเป็นเศรษฐีเป็นอะไรเนี่ยทุกดวงจิตมีกองกระดูกสูงเท่าภูเขาพระสุเมรนสนุกดีเนาะเกิดมาหลายชาติแล้วเนาะ ย, ยังจะเกิดอีกเนาะเกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องอีกแล้วก็มาทําเรื่องเก่าๆมาเรียนเอบีซีกอไก่ขอไข่ใหม่ เนี่ยชีวิตติดลมไงชีวิตติดลมแต่บางคนบอกเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่ามีเวรไหว้าตายเกิดมีบาปบุญคุณโทษแต่เขาเชื่อว่ารติดลมเขาไปไม่ได้จริงๆเขามองเห็นด้วยตาเนื้อไงถ้าคิดแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันนี่แหดอกโบสีเราล่ะเพราะเรามีทิตติมานะเรามีความยึดมั่นถือมัน กับความเชื่อของตัวเองจริงๆแล้วไม่ความเชื่อตัวเองหรอกเราไม่เชื่อหรือตัวเองด้วยเราทำตามคนอื่นเขาบอกเราทั้งหมดเลยเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นใครด้วยเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยเพราะเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเขาบอกเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่กล้าคิดนอกกรอบแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเราก็เป็นแค่อะไรนะเป็นแค่ม้าให้เขาขี่ยุคนี้ถ้าไม่ระวังตัวเราก็เป็นแค่ม้าให้ทุนนิยมมันขี่ ซื่อสัตว์มากเขาสั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่หยุดเพราะสัญชาติยานของม้าเนี่ยเขาพาวมากมีความภูมิใจว่าเขามีกําลังเขาวิ่งเร็วเขามีความอดทนแต่ม้าก็ได้มีสมนะเขาได้ฝึกขันตีเขาได้ฝึกสัตเขามีสัจจะเขาความเพียรเขามีอยู่แต่คนขีม่ม้าถ้าขี่ด้วยความอยากอยากชนะแล้วก็ทรมานสัตว์นั่นอันเนี้รับกรรมเต็ ม, เตมๆเอาเป็นว่าเป็นทั้งมา้าเป็นทั้งคนขีม่ม้า ก็ทุกเหมือนกันแต่ม้าทินกะของพุทธเจ้าอีกชาติเดียวบรรลุอรหันต์เพราะมาเจอเจ้านายดีไงเมตตามีอานิสงส์เห็นหมบางทีเป็นม้าดีกว่านะมันมาสร้างบารมีถ้าเป็นคนแล้วเนี่ยมาสร้างกรรมเนี่ยสู้ไปเป็นม้าดีกว่าอย่างมากก็อีกชาติหนึ่งเห็นไหมถ้าเป็นคนมาเผลอสร้างกรรมชั่วเนี่ยไม่รู้อีกกี่ชาตินี่หละติดลมชีวิตชีวิตติดลมเราไม่รู้ ตัวนี้พระครูก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อว่างๆก็พิจารณาดูหน่อยหนึ่งการทํามาหากินเนี่ยทุกคนต้องทำเพราะทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในมรรคมีองแปดถ้าไม่มีจะกินร่างกายมันจะเอาแรงที่ไหนมาบําเพ็ญเพียรแต่อาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่มาเล่นเกมรวยกันเพราะเกมรวยมันอันลิมิตมันไม่มีวันสิ้นสุดเราอยากรวย เรากลัวจะไม่รวยเราก็ทุกข์ความกลัวทําให้เสื่อมแต่ถ้าเป็นสัมมาชีวะเราทําไปด้วยสุขทุกวันมันเป็นอาชีพอาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายแต่ตอนนี้มันเป็นธุรกิจมันเป็นกิจกรรมเศรษฐีเศรษฐกิจกิจกรรมเศรษฐีธุรกิจกิจธุระเพื่อมุ่งสู่ความมั่งคั่งร่ารวยทีนี้ เหฟ้ายัางมีฟ้าเราไมสา่สามารถชนะคนทั้งโลกได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทํางานนะเราไม่ต้องเราต้องมีอาชีพกันแต่ว่าทํามันแค่พอดีถ้าเราสร้างบุญมาเนี่ยนะทําผิดอาจจะกลายเป็นถูกถ้าไม่สร้างบุญมาสร้างแต่กรรมเนี่ยทำถูกแค่ไหนกลายเป็นเรื่องผิดมันจะเกิดแอุบิเหต์เกิดอุบัติเหตุส่วนกรรมในอดีตบุญในอดีตเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันเราเลือกชีวิตเราได้ เราจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ตรงไปก็ได้สมมุติฐานว่าเลี้ยวซ้ายไปสู่นรกเลี้ยวขวาไปขึ้นสวรรค์ตรงไปนิพพานเนี่ยชีวิตเป็นของเราเราเลือกได้เห็นไหมแต่ถ้าเราเห็นชัดเจนว่าเราติดยมชีวิตจริงๆเนี่ยเราต้องเลือกเดินตรงไปนะแต่ถ้ายังไม่เห็นก็เตือนสติมันยังไม่พ้นทุกข์ก็ให้มันสุขไว้ก่อนไม่มีเหตุผลจะทําให้ตัวเองทุกข์ถึงจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ก็เสียเวลาเยอะนะ บางที่ไปเศษกรรมดีตรงนั้นน่ะถ้าคิดเป็นปีเป็นหลายๆพันปีเลยนะที่นี่พรอครูยี่สิบหปีพรอครูเห็นเยอะเลยนะคนที่เกิดสมัยพุทธกาลนะอยู่พุทธกาลนะตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์พึ่งชาตินี้มาเกิดเป็นคนอยู่บลเนี่ยเป็นพรหด้วยที่นี่เขาระลึกเขาพูดภาษาอะไรอะไรคูบวถอะไรเขาไม่รู้มาที่นี่นะพระครูเบี่ยงทิ้งเขามายองเบี่ยงเขากเาเป็นผู้วิเศษตอนนี้พมนะ กลายเป็นมนุษย์เนี่ยตอนนี้ลูกผีลูกคนห้าสิบห้าสิบระหว่างนรกกับสวรรค์ผมก็ตกนรกได้นะสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติเป็นอยู่ในวัฏฏะสงสารยังไม่ปลอดภัยยังติดลมเรามาปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยะสมบัติขั้นต่ําสุดคือโสดาปฏิมาขึ้นไปโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลคู่แรกสกิทาคามีมาสกิทาามาคีปฏิผลคู่ที่สอง อนาคามีมัคอนาคามีผลคู่ที่สามอรหัตมัคอรหัตผลคู่ที่สี่สี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่ศักกาลและบูชาอนนี้เรียกเป็นชื่อเรียกของสภาวะธรรมของจิตระดับชั้นไม่ได้เรียกเครื่องแต่งกายหรืออาชีพนี่แหละคือพระเลียสงในพระรัตนะไตยสมควรแก่ศักกาลและบูชานี่คือผสมพระธรรมเนี่ยไม่ใช่คําสั่งสอนพระเจ้าในวงเล็บเท่านั้น พระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระธรรมมีอยู่คู่โลกคู่จักรวาลก่อนเจ้าชายศิทธัจะประสูติอีกบังเอิญพระพระทุทธองค์ไปตัดสัู้มา ก, ก็เอาเป็นการบอกกล่าวส่วนที่เป็นบอกกล่าวก็คือคําสอนแต่พระธรรมจริงๆและคือสิ่งที่ถูกเห็นถึงจะไม่มีเจ้าชายสิทธัะประสูติในโลกใบนี้พระธรรมก็ยังมีอยู่ผู้เจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้ก็บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าที่เรากล่าวว่าพระท้ารุ่เนี่ย เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพวกเตือนสติให้เราระลึกรู้ครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่ใช่ไหายในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอนวลขอนีน่พระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระ อ, องค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ทุกวันนี้เราอยู่ในเราเป็นยุคที่มียปัญญานะเราเหาะจากกรุงเทพมา อ, อุบลแค่ชั่วโมงเดียวนะเพื่อนอยู่อังกฤษเราหูชิดเลยคุยกันรู้เรื่องเห็นไหม มันแสดงละครอยู่โตเกียวนี่ล้วก็มองเห็นตาทิศด้วยนะมันก็ไม่ทําให้เราพ้นทุกแต่พระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะคำสอนพระองค์ทําให้เราพ้นทุกได้ถ้าใครกราบไหว้พระเจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กลัถือว่าไม่เข้าใจพระองค์เรากาบไหว้เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าคือผู้เห็นธรรมมาก่อนคือผู้เห็นธรรมมาก่อนไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระสมฆ์คือผู้เห็นธทมตามมาขั้นต่าสุดคือโสดาปฏิมรักขึ้นไปอันนี้ไม่มีนรกอีกแล้วเป็นพระอริยสงฆ์ส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพุทธบริษัทสีเนี่ยเป็นผู้สแสวงธทำตามมายังไม่เห็นธรรมถ้าเราไม่เข้าใจพระัตนตรัยทองแท้แล้วเนี่ยเราจะติดบ่วงจิตจะไม่อิสระก็เอาไว้วันหลังก็แล้วกันที่พระครูจะมาที่ค้างมาอยู่พูด เรื่องสังโยชน์สิบนะจะพูดสังโยชน์สิบก็พูดเรื่องบารมีสิบอนะ่มันเป็นของคู่กันนะจริงๆแล้วรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้จากรู้ก็ไปอ่านหนังสือออกก็รู้แล้วก็เข้าใจมันไม่เข้าจิตเราปฏิบัติไปเราจะเห็นอารมณ์นั้นเป็นอย่างนี้อ้อขั้นตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือแก่นทางทั้งหมดอ่ะในนี้เนียย่อลงมามีแค่นี้อยากไปนิพพานรู้จริงๆพวกนี้เป็นแค่เนี่ย เป็นข้อส่วนประกอบนะข้างบนนี้เนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้โพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นเครื่องมือเดินทางไปสู่การพ้นทุกข์ไม่ใช่แค่สตินะไม่ใช่แค่ไปฝึกสมาธินะโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการซึ่งเรามีอยู่แล้วเต็มเตรียมแต่มันอยู่ในโกดังมันอยู่ในเว็บไซต์ถ้าเราไม่เข้าไปสู่จิตในจิตแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่แสดงตัวเห็นไหมเริ่มจากเราต้องมีสติ ปัฏฐานทั้งสี่เทวดาไม่มีกายทําไม่ได้ไม่มีกายก็ไม่มีเวทนาเวทนาอยู่ในฐานกายอยู่ที่ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเทวดาไม่มีตรงนี้จเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ได้เทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขบางคนไม่เข้าใจสุขมันก็ดีแล้วทุกทําไมล่ะพ่อครูเคยเป็นเทวดาที่อเมริกาแล้วนะซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าเบื่อบื่อมันจําเจซ้ําซาก เทวดาไม่เสดจกรรมดีไม่ได้เพราไปติดกรรมดีไงสมมติว่าชอบทุเรียนให้กินทุเรียนปีหนึ่งไม่ต้องกินอย่างอื่นบรรสุทธ์ไหม่แหลเทวดาทุกมน้าที่ต้องเสดจจบไม่เสดไม่ได้พ่อไปติดกรรมดีทำดีทําแค่พอดีแต่ไม่ติดดีถ้าติดดีเมื่อไหร่ก็อธิษฐานเลือกไปแน่แนไปสวรรค์ไปแน่ๆพวกครูบอกนะถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเลยเสียเวลาแต่ตอนนี้เขาบอกให้เราทำบุญขึ้นสวรรค์นะมันไม่ใช่เมื่อกี้พูดถึงพลโททิปักกิยธรรม37ประการเนี่ย เริ่มจากเรวต้องมีสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมเรามีเต็งเปี่ยมแล้วมีเครื่องมือแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้อิทธิบาทสี่นะต้องมีฉันทะพึงพอใจกับสิ่งที่เราดําเนินเราเจริญมากนี่เราต้องใช้ตัวนี้ช่วยมันเหมือนเราขับรถตัวนึงเทปเราต้องมีน้ํามันเติมไอ้พวกเรานี่คือน้ํามันมีฉันทะมีวิญญาณมีจิตตะวินิมังสากับสิ่งที่เราดําเนินแล้วก็มีสมณประธานสี่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเตือนสติว่าสํำรวมระวัง อย่าให้อกุสนใหม่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละอคุสนที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไปเพียรสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สำรวมระวังรักษากุศลที่มันมีอยู่แล้วอย่าให้มันหมดไปนี่คือสมมตประทานสเอาละสี่สามสแล้วก็ต้องใช้อินทรี่ห้ศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาเห็นไหมไม่ต้องไปฝึกสติปัญญาเรามีอินทรีย์อยู่แล้วเต็มเปตยมใช้มันยิ่งใช้ก็ยิ่งมีกําลังเมื่อเราออกกําลังกายยิ่งวิ่ง เราต้องเล่นด้ความเหนื่อยเพราะเหนื่อยมันก็มีกําลังมากขึ้นนี่คือพละอินทรีย์พละอินทรีห้าพละหกลายเป็นสิบบวกกับสิบสองเป็น22เมื่อเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วเนี่ยโพชฌงมมันก็สแสดงตัวเนี่ยโพชฌงมทั้งเจ็อันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาและวิมุติให้สมบูรณ์โพชฌงมเจ็บวกกับไปยี่บสองเป็น29บวกกับมรตมีองค์8ดเป็นสามสประการนี่คือเครื่องมือในการเดินทาง ไม่ใช่ไปฝึกแค่สติสมาธินะโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิมันนั้นมันพ้นไม่สำเร็จมันดึงใช้มากกว่าพวกเราอีกเพราะมันต้องย่องเบาแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญาตอนนี้เราจบที่สติจบที่สติไม่ใช่สติไม่ดีเราต้องใช้มันไม่ใช่ไปฝึกแค่สติมันถึงแป๊กหน่ยหลวงพ่อชาพูดบ่อยๆนะทั้งก็สอนอาณาปานสติแต่พอปฏิบัติจึิงท่านบอกว่ามื่อจะถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหน สมัย ก, ก่อพ่อคุณก็งงอยู่เอ๊ะถือศีลนั่ก็ดีเนี่ยดั้งสมาธิก็ก็ดีเนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันไม่ดีท่านบอกมันจะไปไหนมันก็แป๊กไงมันเข้ามาถึงกล่องปัญญาไม่ได้นะต้องเข้าใจนะและไอ้โพธิปัจฉิยะทำสามสิทธิปการอยู่ในนี้หมดที่เราเต้นแรงเป็นกานี่ยแหละถ้ามันมีสติสำโพชงเนี่ยหมุนไปถึงสามรอบเนี่เวียนหัวลมตอนนี้มีคนหนึ่งนะตีลังกาตีลังกาเลยเลอดช่องพ่อกุณก็แอบดูอยู่นะ ถ้าม่มีสติมันก็ชนคนนั้นคนนี้ไนงะนี่คือพูดชมแต่ต้องใช้กําลังทั้งหมดเมื่อกี้สามจุเจ็ดประการนี่มันเป็นเครื่องมือเดินทางมีอยู่แล้วจิตเขาออกมาใช้เองเราไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกทําเลยปฏิบัติเลยปฏิบัติแล้วออกจากสาลานี่ต้องนําไปประพฤติการประพฤติต้องฝูนกิเลสล้วหน่อยหนึ่งเพราะเรายังไม่บริสุทธิ์ร้อยปอร์เซ็ต์ใช่ไหมต้องฝูนมันหน่อยหนึ่งกิเลสบอกเอาเราให้ฝูงมาหน่อยหนึ่ง จำไว้ว่าเอ๊ะมันหลุดจากคําสอนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปยุ่งกับรายละเอียดนะมาอยู่หลักกันว่าอาสวะศูนย์นี่องค์รวมใหญ่ทําอะไรแล้วมีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ป่า ท, ท้องพ่อครูทำลายยี่สิบห้าปีสิ่งที่ทําอยู่มันหลุดจากหลักการของพุทธศาสนาไหมเราอะไรมาวัดเราทําดีไหมเราละชัวะ่วงไหมเราขัดเกลาจิตให้ผ่องใสัหมขอใอยู่ในหลักนี้พ่อครูยีห้าปีนอกจากสามอย่างนี้พระครูไม่ทําอย่างอื่นเราทําดีทุกวัน นะครัวเราพระแขกเดี๋ยววันจันทร์ถึงวันศุกร์พอเด็กมาโรงเรียนเนี่ยวันหนึ่งพระแขกต้องทำอาหารเลี้ยงคนประมาณพันคนทั้งเด็กทั้งครูทั้งญาติธรรมเลี้ยงพะระเลี้ยงเมนเลี้ยงชีทุกวันทุกวันเป็นวิถีเราทําดีทุกวันทําดีคืออะไรอา้าวทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสทำแบบไหนพระเจ้าก็บอกอีกเห็นไหมเราบุญเยอะขนาดไหนการทําดีคือการให้ทาน วัตถุทานธรรมทานอภัยทานเอาละเชื่วละแบบไหนศีลไงพงให้ขึ้น่อมือมาหมดเลยคัดเก้าจิตให้พองใช้แบบไหนภาวนาไงเราบุญเยอะมากเลยนะเราต้องลองถูกลองผิดเหลวนพุทธเจ้าต้องลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษานะเราบุญเยอะแต่ว่ากรรมเราก็เยอะเหมือนกันบุญมีแต่กรรมมันบงังมันก็อาโน่อนอันนี้มันไม่ยอมหาทางออกจากวงที่ว่าชีวิตติดลงโอเคไนะ ต้องตัดเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่หยุดก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีลัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสาคลณจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่งขันยืนบรรลุมรผลมิพานโดยไวยเทิน